พระธรรมเทศนาลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่ากระตันยูแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแก่ตนและผู้อื่นแล้วเป็นสุขวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งทุนกระหม่อมฟ้าหญิงแต่ในมาร่วมไหว้พระสวดมนต์กับพวกเรา ต่อ น, นี้ไปอาจจะมาภาพจะได้กล่าวสัมมตนิยกถาเพื่อเป็นเรื่องเพื่อการศึกษาเพื่อได้เตือนรู้รับรู้ที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับรู้เรื่องต่างๆเพราะหลักของพระพุทธศาสนามีมากหลายในแนวที่พระพุทธองค์ได้ตัดได้สอนเอาไว้ทั้ง 84,000 พันพระธรรมมขัน เราจะไปรู้ทุกบททุกบาททุกขั้นตอนก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้ก็ได้ยินเรื่องหนึ่งก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าอันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมไปฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบผ่องใสในการฟังธรรมแล้วก็ทันย้ําอีกว่าสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนเมื่อได้ยินได้ฟัง ทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนและก็ภาวนามยปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็นำความสงบจิตใจสงบนั้นนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็ได้ปรับปรุงแก้ไข กายวาจาใจของเราอันนี้ก็เกิดประโยชน์แต่ว่าภาวนามยปัญญานี้เป็นธทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาส่วนสุดธรมพยปัญญากับจินตามยปัญญาเป็นปัญญาทัท่วทวไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะรู้จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้ นำทาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำบางประเด็นเพื่อการศึกษาแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพระตรงกับวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันท่าทางอี ส, สานของพวกเราเขาคบว่าวันบุญข้าวประดับดิน เป็นวันประเพณีของอีสานเป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หลวงรับดับขันไปเขาถือเป็นประเพณีเป็นการทาบุญในพรรษาปันในพรรษาจะมีสองครั้งครั้งหนึ่งก็คือวันเดือนเก้าดับวันพุ่งนี้เป็นเดือนเก้าดับแล้วก็วันเดือนสิบเพน วันเดือนสิบเพนเป็นวันทําบุญอีกครั้งหนึ่งวันเดือนสิบเพนนั้นเขาจัดว่าเป็นวันทําบุญฉลากกพัดอันนี้เป็นวันข้าวประดับดิ่งคือวันเดือนเก้าดับอันนี้เป็นประเพนในถือกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณแต่ทําไมคนโบราณเขาจึงจัดวันสองวันนี้ถ้าหาว่าคนโบราณเขาไม่จัดวันเอาไว้ ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังวันไหนก็ทําคุณงามความดีได้ทุกวันแต่ผลในสุดเกลิไม่ทําสักวันเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงให้ถือว่าวันเดือนเก้าดับเนี่ยให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หลวงรับดับขันไปบางท่านเมื่อตายไปแล้วท่านอาจจะยังไม่ไปที่ไหน อาจจะวกปุนเวียนอยู่กับพวกเราเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปุ่คุณโทษมีจริงถ้าว่าผู้ที่ทํากรรมไว้ไม่มากไม่ถึงกระตกนรกไม่ถึงกับไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานแล้วก็ไม่ถึงไปสู่ชั้นพรมได้พอตายไปแล้วก็วกปุนเวียนอยู่กับปวงสาคานายาตว่าเป็นเปรตอสุรกายเป็นเปตรตตวิสัยจุวิญญาณ อย่างล่องลอยแต่ไปที่ไหนไม่ได้เพราะเห็นไรเพราะไม่มีบุญเพราะนั้นวิญญาณสองวิญญาณนี้เมื่อพวกญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณนี้จะไปสู่สุคติหรือว่าไปเกิดได้แต่ถ้าว่าไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลวิญญาณนี้ก็จสวอยทุกข์อยู่ตามลำพังถ้าว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ด้ฉานหมูหมากาไก่ ยางมาบวกควายอาหารของสัตว์เหล่านั้นเขาก็เป็นอาหารของเขาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมก็ก็มีสุ่ไว้บุญของเขาไม่ได้รับแต่เมื่อเราทําบุญไปแล้วท่านเหล่านั้นไม่ได้รับบุญกุศลก็กลับมาหาผู้กระทําเหมือนกับเราส่งของไปชนีไปชนีปลายทางไม่มีใครรับกล่องไปชนีนั้นก็ต้องกลับมาหาผู้กระทํา ถา่านนายไปชนีเป็นผู้ซื่อสัตย์นีการกระทำบุญของพวกเรากรักษณะอย่างนั้นอันนี้คนโบราณเขาถือกันมาวันนั้นมาถึงยุคของพวกเราพวกเราคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะพ่ อ, พอแม่พี่น้องเป็นผู้มีอุปกระคุณพวกเราก็ต้องทาบุญลํำลึกถึงพระคุณของท่านอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบท บุตรธิดาบุตรลูกหลานในหลักของพุทธศาสนาว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปล่อยปละละเลย เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็เราไม่ได้เลี้ยงดูท่านแล้วก็ปล่อยปะนั่นเลยไม่โธ่เพราะเหตุว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนจดเท้าเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นสมบัติที่ท่านให้ยังมีอยู่กับเราเมื่อเราได้ทำการทำงานขึ้นมาแล้วเร า, เราก็ได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือ เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีสำหรับพุทธมหามกะพุทธบริษัทถ้าหาว่าเปรียบเทียบมีไหมในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกท่านกว่าในพระไตรปิฎกมีชัดเจนมีหลายแห่งด้วยแต่จะยกให้ฟังก็คือเปรตพระเจ้าพิมพิสารที่พวกเราจะเห็นได้ชัดก็คือใน พ, ร, พระไตรปิฎกเพราพระองค์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชค พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็ได้เสด็จมาที่กรุงราชคฤห์และก็ได้สร้างวัดป่าวเวลุวันในกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิ ส, สารได้ถวายวัดป่าวเวลุวันในเมื่อพระเจ้าพิมพิ ส, สารเห็นพระพุทธเจ้ากับพร้อมกับพระสงฆ์เสด็จประทับอยู่ในอุทยานของพระองค์คือเป็นป่าไม้ไผ่เป็นอุทยานป่าไม้ไผ่ เป็นที่ให้เจือกระแตของพระเจ้าพิมพิสารแต่นี้พระองค์เจดจประทั์อยู่ที่นั่นพร้อมกับพระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารก็เห็นว่าเป็นที่สัปปายะสาหรับพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารก็เลยกล่าวถวายกับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก่นหน่งแปลว่าพระพุทธองค์รับนี่ถือว่าเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนา คือวัดป่าเวลุกวันในเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ให้พรพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายน้ําทักกิโนทกอุทิศส่วนกุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าแผ่นดินจุดนี้มอบไว้ในถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อเป็นวัดของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็รับพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นพระองค์ก็กลับไปเวียงวังพอกลับไปเวียงวังในคืนนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในเวียงวังของพระองค์พอพระองค์นอนยังไม่หลับก็ได้เห็นพวกเปรตแสดงตัวให้ปรากฏแก่พระเจ้าพิมพิสาร ไม่มีเสื้อผ้าตัวผอมมีแต่เยอะแยะโยเยะไปหมดเพราะองค์นอนไม่หลับทั้งคืนในคืนนั้นใครๆหวาดกลัวกุ้งรุ้งประตูหน้าต่างก็ปิดแล้วอย่างดีแต่ทําไมใครเข้ามาได้แต่จะมองแท้ๆก็ไม่เห็นไม่ใช่คนมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่เห็นด้วยสายตาห้อยโหนตามหน้าต่างพระเจ้าพิมพ์ิสารนอนไม่หลับ ตอนเช้ามามักลาบพระพุทธเจ้าแต่เช้าพระพุทธองค์กขาถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบาพิษเมื่อคืนในคงนอนหลับสนิทดีพระเจ้าพิมพิสารบอกโอ้ข้าพระองค์นอนไม่หลับเลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะสิ่งไม่คาดคิดว่าไม่รู้อะไรห้อยโหนอยู่ที่หน้าต่างอยู่ในเวียงวังของข้าพระองค์สระรวลวุ่นวายไปหมดพระพุทธองค์บอกว่านั่นแห ะ, ะเป็นญาติพี่น้องของพระองค์ เป็นญาติของพระ อ, องค์เองพระเจ้าพิมพ์พิสารก็ว่าจะทำอย่างไงพระเจ้าค่ะพระองค์าบอกว่าให้ถวายพัฒหารพระสงฆ์และอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาคอยวันที่พระองค์ถวายวัดอุวาเนถวายวัดป่าเวรุวนันพระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงเขาเลยแต่ว่าพอขายได้เงินปับกับพับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่แบ่งให้แขกแก่ใครเลยลักษณะอย่างนั้น พระ อ, องค์ทาบุญเสร็จแล้วก็พระ อ, องค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงใครเลยแต่ญาติพี่น้องของพระ อ, องค์ในอดีตชาติเขายังทุกอยู่เขาเป็นเปรตเขาจึงมาคอยรอรับบุญกุศลแต่พระ อ, องค์ไม่ได้ให้เขาเขาจึ ง, แ ส, งแสดงตนให้ปรากฏให้เห็นจากนั้นพระเจ้าพิพิษานก็รับจากนั้นวันรุ่งขึ้นในวันนั้นก็ได้กราบพระรันนาพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์ ไปฉันได้เวียงวังจากนั้นพระองค์ก็ได้ถวายพระทหารพระสงฆ์พอถวายเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอย่างที่พระพุทธองค์ได้แนะในแนะนําว่าบุญกุศลที่ได้ทาในวันนี้ก็ขอให้ญาติพี่น้องในอดีตชาติที่ยังตกทุกข์ได้ยากอ ย, กอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกทุกวิญญาณด้วยเถิดจากนั้นวิญญาณเปรตเหล่านั้นก็เขาก็ได้รับ สกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารแต่ในวันรุ่งขึ้นในคืนนวันอีกแต่ดูแล้วเถเปรตเหล่านั้นอ้อนทวนสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้าจากนั้นเห็นจังเห็นอีกอยู่พระเจ้าพิมพิสารก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ประทานแต่อาหารไม่ได้ประทานผ้าเพราะนั้นเปนเรตเหล่านั้นจึงไม่ได้รับ ได้รับแต่อาหารเขาจึงแสดงตนให้ปรากฏต่อวันรุ่งขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์เป็นพระอระหันต์ไปฉันทีเวียงวังก็ได้จวายพัฒหารพร้อมกับผ้าเปรตเอา น, นั้นจากนั้นท่านก็ได้อุทิศส่วนกุศลด้วยอาหารและผ้าขอให้ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ขอให้มีได้สมวความมุ่งมา่นปรารถนาจากนั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารแล้วเขาก็ไปหาเกิดในภพภูมิตามที่บุญกุศลเขาได้ทำเอาไว้ในอดีตแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าทาไมเปรตพระเจ้าพิมพิสารมีมาจากสมัยไหนถึงจะมาถึงอย่างนั้นพระพทุทธองค์ ท่านก็ได้ยกในอดีตชาติในสมัยหนึ่งแต่หลวงพ่อก็จำไม่ชัดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประพุติปทุมุตระหรือว่าองค์ไหนสมัยนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าได้ไปบําเพ็ญได้สําเร็จได้ตั้งรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่นั้นท่านก็เสด็จมาโปรดพระบิดาที่เวียงวังตอนนี้พอมาโปรดพระบิดาที่เวียงวังพระบิดาก็ ทำกำแพงล้อมรอบวัดกับวังอยู่ในที่เดียวกันทำให้กว้างเลยล้อมรอบประชาชนไม่มีใครได้ทาบุญด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเนเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกชายเพราะนั้นท่านจึงถือว่าพระพุทธเจ้าถ้าทมพระสงค์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำบุญจนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะหาไม่เพราะ พระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆ์ที่แทนได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้เป็นของของข้าพเจ้าแต่นี้พระพุทธองค์ก็เห็นว่าอายุสมัยนักคนยืนยาวก็ควรจะโปรดพระบิดาของพระองค์พระองค์ขอบินทบาทกับพระบิดาพระบิดาก็ถวายในทุกอย่างให้พระสงฆ์อยู่ในวัดติดกเวียงวังต่อมา น้องชายของพระพุทธเจ้าที่เป็นลูกต่างมารดามีอยู่สามคนเป็นทหารเป็นลูกชายของเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบิดาองค์เดียวกันแต่ว่าเออพระบิดานี่ทำไม่ถูกนะขนาดเราพวกเราก็ยังไม่ได้ทําบุญเพราะอดพุทธองค์กับบริวารของท่านทําเองพวกเราจะทํายังไงไม่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพี่เลย กับพระองค์เพราะว่าพระบิดากันไว้หมดไม่ให้พวกอนคนอื่นเข้าไปได้ทําบุญพวกเราจะทํายังไงจึงจะได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพี่ก็เลยคิดอ่านกันขึ้นมาก็เลยส่งทหารกลุ่มหนึ่งไปอยู่ในช น, นบทให้ทํากระบฏขึ้นมาเรียกว่าจะเป็นทหารทหารกลุ่มของตัวเองไปส่งเข้าไปไปจะตีบ้านตีเมืองลักษณะนะี้พระบิดาก็บอก อ, อื ทหารในชนบทนะมันเกิดสุขสงครามยังไงเอาให้พวกทหารสามพี่น้องเนะี่ยที่เป็นลูกชายเนะี่ยไปยกกองพลออกไปปราบปัจจามิตรแต่นีพวกนี้นก็ยกออกไปพอยกไปได้จะเห็นพวกเดียวกันพวกนั้นก็หยุดพอหยุดแล้วก็แปลว่าปราบเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมากลับมาพระบิดาก็ดีพระไถ่ดีใจ ว่าลูกชายไปปราบปัจจามิตรในชนบทเรียบร้อยราบคาบไม่มีอะไรจบแล้วก็เลยประทานพรว่าลูกเอ้ยอพ่อจะประทานพรให้ลูกต้องการอะไระที่พ่อจะให้ได้พ่อก็ยินดีที่จะประทานพรให้แก่ลูกทั้งสามคนทางโลกก็หาโอกาสว่าอยากจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นกําลังเพราะนั้นก็เลยขอพอร พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งสามได้ปรึกษากันแล้วที่จะให้พระบิดาประทานพรให้นั้นเขขอให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระเจ้าพี่แทนพระบิดาด้วยเถินตลอดไปให้ขอให้ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแทนพระบิดาพระบิดาบอกว่าโอ้ขออย่างอื่นพ่อพอจะให้ได้แต่ขอปฏิบัติพระพุทธเจ้าแทนพ่อน่ยพ่อให้ไม่ได้ลูกเอ๋ยเพราะพ่อยอม ให้ไม่ได้ในจุดนี้ทางนี้ลูกชายทั้งสามคนเอาพ่อประทานพรให้แล้วเนี่ยถึงจะประทานพรก็เถอะพ่อให้ไม่ได้ทางนั้นพวกผมขอปฏิบัติพระพุทธเจ้าเจ็ดปีได้ไหมพระวิดาพระวิดาโอ้เกินไปเจ็ดปีเอาขอเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็เกินไปสามเดือนเอาคนละเดือนอลูกชายสามคนเอาคนละเดือนอา้าวตกลงถ้าสมเดือนเอาคนละเดือนกัน จากนั้นทั้งสามพี่น้องเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยเลยเออพวกเราจะทำยังไงทให้สุดๆดเลยปฏิบัติพระพุทธเจ้าเราควรจะบวชเป็นสมณเ น, นปฏิบัติไปอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าเลยเออเราก็จัดออกมาว่าออกองทุนที่เราจะเลี้ยงถวายพระสงฆ์เป็นเท่าไหรออ่ที่พระบิดาเลี้ยงพระสงฆ์บดเดือนละเท่าไหร่วันละเท่าไหรออ่พวกเราจะมอบให้แก่ขุนขัง ให้ขุนคลังแล้วก็ให้ทหารให้เลี้ยงถวายพระสงฆ์เราจะมีแต่ภาวนาลูกเดียวอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายเราจะไม่มาอยู่เราบวดเป็นสมณีนจากนั้นสามพี่น้องก็เลยเสียสละบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มอบเงินคลังที่เป็นสมบัติของตนเองมอบให้ขุนคลังเพราะขุนคลังก็จัดการ พอจัดการท่นี้ก็ที่แรกก็เป็นไปด้วยดีพอต่อมาท่านกับริษัทมากเพราพระพุทธเจ้าเป็นแสนพร้อมกับพระสงฆ์เน่ยเป็นแสนเนี่ยเลี้ยงคนเป็นแสนก็ต้องทําอาหารมากทีนี้พอทําอาหารไปใหม่ๆก็ดีพอต่อมาพวกทาหารหรือว่าพวกบริวารของเจ้าชายทั้งสามคนนั่นก็ที่แรกก็กลัวบาปต่อมาก็ไม่กลัวบาปกินก่อนพระสงฆ์บัง ทานอาหารก่อนพระพุทธเจ้าบ้างทั้งกินกินใครเข้าแบ่งให้ลูกแบ่งให้ใครต่อใครกินบ้างทตนี้แต่ว่าอาหารก็เพียงพออยู่แต่ว่ากินก่อนพระพุทธเจ้าเนะี่ยเอานี้มันเป็นบาปเพราะว่าเจ้าชายทั้งสามเนะี่ยท่านมีเจตนาจะถวายพระพุทธเจ้าเหลือแล้วก็ออกมากินเนี่ยท่านไม่เป็นไรแต่นี้ตัวเองไปกินก่อน เนี่ยไปใช้ก่อนกินก่อนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ก็เป็นพระอรหันตัวเองไปทําอย่างนั้นมันไม่ถูกแต่นี้มันก็เป็นบาปใช่ไหมพอเป็นบาปจากนั้นได้สามเดือนพอได้สามเดือนท่านก็ลาสิกขาออกมาออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าชายตามปกติทั้งสามพี่น้องเทงนี้ท่นกับปฏิบัติหยุดอยู่เพียงแค่นั้นต่อมาท่านก็ได ตายจากชาตินั้นมามาถึงชาตินี้สามพี่น้องได้เป็นมาเกิดเป็นอุลุเวลานาทีกัจปะเนที่เป็นสามพี่น้องแต่ในชาตินั้นท่านมีทหารอยู่พันคนในสามพี่น้องมีทหารอยู่พันคนปวดเป็นสัมณเณรหมดทั้งพันกับสามคนคือสามคนคือหัวหน้าอุลุเวลากัจปะนาทีกัจปะขยากัจปะ ลูกเวลากัาจจปะณฑ์กัจจปะขายากัจจปะสามพี่น้องก็มีบริวารพัน 1, ทหารพันคนนี่แหละมาเกิดชาตินี้ทหารพันคนก็นยังมาเกิดด้วยอยู่นะยังเป็นทหารหานยังเป็นชดินที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้แล้วไปโปลดฉดินสามพี่น้องน่ะที่ว่าเทิดอนิตตปริยายสูตรให้แก่ฉดินสามพี่น้องก็คือนี่แหละทหารของเอในคราวนั้นนะที่เป็น เกิดมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธมุตระแต่ขุนคลังนั้นเป็นใครเป็นพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าพิมพิสานเป็นขุนคลังที่เบิกเงินที่มอบเงินให้แก่ขุนคลังขุนคลังก็จ่ายเงินตามหน้าที่ขุนคลังก็ไม่บวาเพราะเหตุใดเพราะขุนคลังจ่ายตามหน้าที่แต่ว่าบริวาร น, นะที่กินเงินของขุนคลังไปทีนี้แหละเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกนั้นก็ พอออกจากชาตินั้นส่วนขุนคลังเนี่กับไปสู่สวรรค์แต่ส่วนชาวฟ้าชายกับทหารนี่กับไปสู่สวรรค์พราะทําบุญแต่พวกบริวาร น, นั้นก็ตกนรกไปคนละทิศละทางกันจากนั้นก็พอเกิดขึ้นมามาเป็นเปรดเป็นเปรดล่องลอยเป็นเปรดที่หิวโซเป็นเปรดที่หิวหอยเพราะใช้กรรมที่ตนทําไว้ในชาตินั้นพอมาถึงชาตินี้ ติดตามมาตลอดติดตามพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเกิดณสถานที่ใดเปรตพวกนี้จะจ้องดูแลอยู่พอพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดในชาตินี้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารจะอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้คิดถึงเปรตเหล่านั้นเพราะพระเจ้าพิมพิสารไม่รู้เพราที่สุดเปรตก็เลยแสดงตนให้ปรากฏ ให้ปรากฏให้ขนขังให้ปรากฏจากนั้นพระเจ้าพิพิสารก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้เปดตเหล่านั้นก็ได้พ้นทุกข์นี่แหละอันนี้คื อ, คอในหลักของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านพูดยืนยันว่าอย่างนั้นในสูตรหนึ่งนักธรมีหลายๆสูตรเรื่องเปรตที่อยู่ในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่ตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีก วิญญาณของสรพสัตว์ทั้งหลายใครทํากรรมอันไหนไว้พวกนั้นจะต้องได้รับกลับเพราะนั้นท่านยึงตรัสไว้วา่อาอกตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามตนเองเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมาในพัดไตรปิฎกขอให้พณะศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่าน ฟังแล้วก็กั่นกรองไตรตรองดูว่าความชั่วนั้นทำไปแล้วจะทำให้ตนเองแต่รับโทษเมื่อภายหลังเพราะนั้นเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีคิดในที่ดีคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว นรกมีสวรรค์มีเปรตมีท่านทำไม่ดีแล้วก็ไปสู่ทุกขติตกนรกเป็นสัตว์ทิรรจชานไปได้ทั้งนั้นในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุรณกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาไหว้พระสวดมนต์อาตมาภาพเองจะขอแนะนาเรื่องการภาวนา หลักของพระกรรมฐานด้วยพ่อแม่ครูบาอ า, า, า, า, าจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตาครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายท่านจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเรื่องภาวนาถ้ารู้จักวิธีการวิธีทำแล้วไม่ยากทำง่ายเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้เราพร้อมอย่างไร ว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรเรานั่งพอนั่งเสร็จแล้วเราก็เอามือปนมมือขึ้นก่อนเรานั่งสมาธิอคราวนี้เราจะนั่งสมาธิแล้วนะเรจะนั่งในห้องพระก็ได้หน้าห้องพระก็ได้นั่งตามลำพังอยู่ในที่สงบสงัดก่อนที่จะนั่งเราก็ปิดวิทยุโทรทัศน์ที่จะมารบกวนเราซะก่อนเพื่อไม่ให้มันมีเสียงกระทบในช่วงที่เรานั่งสมาธิ จากนั้นเราก็ปนมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายแล้วกบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริก ร, รมโทแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปบาเพ็ญอยู่ในป่า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 ไม่ให้สติไม่ให้ใจของเราคิดไปในอดีตไม่ให้ใจของเราคิดไปในอนาคตให้จิตใจของเราผู้รู้ของเราอยู่ที่ปลายจมกูกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมกูกให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ว่าลมออกนี่แหละให้จิตใจอยู่จุดนั้นในเมื่อเราจิตใจของเราอยู่จุดนั้นใจของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่ง เพาจิตใจของเราไม่กระสับกระสายไม่ปุงไม่ฟงไม่ส่านเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านกันเป็นคนละส่วนกันคือใจของเราเนี่ยอยู่ในร่างกายร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยกันอยู่ด้วยกันคือใจนั่นคืออะไรคือตัวรู้รู้ ตัวนักคิดนั่นแหละตัวสมองก็ใช่แต่หลักของพุทธศาสนาธนว่าใจมโนโวิญญาณมันอยู่ในร่างกายแต่ใจรู้มโนนั้นมาใช้สมองมาใช้เอาสมองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวคิดท่านจึงเน้นหนักพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องของใจท่านจึงบอกว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจก็คือมโนคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดแต่เรื่องของกายนั่นแหละมันเป็นเหมือนขับรถแต่เรื่องของใจนั้นเหมือนกับคนขับรถเพราะนั้นรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ใจในสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมจะต้องเอาศีลธรรมต้องเอาหลักเหตุผลเข้าไปบังคับเข้าไปกานกรองไต่ตองเรื่องใจสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรไม่ควรได้รับการอบรมใจเมื่อได้รับการอบรมแล้วใจเป็นมีความรู้ใจเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ใจมีศีลมีธรรมใจมีเมตตาใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใจดวงนั้น เมื่อมาบังคับกายกายก็เป็นศินเป็นธรรมไปด้วยแต่ถ้าว่าใจดวงนั้นเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเป็นอันตรพานเป็นคนภาระชนใจตรงนั้นเป็นภาระชนมาบังคับกายตรงนี้กายทรนี้ก็ไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะอะรเอเหมือนกับเราขับรถถ้าคนขับรถมิตสใยไม่ดีเมื่อขึ้นไปขับรถเห็นอะไรก็เหยียบเห็นอะไรก็ปี๊บแกไล่ไปไปเรื่อย อันนี้ความือนกันแกลก็คือวาจาของพวกเราในตัวรถก็คือร่างกายของพวกเราจะเหยียบอะไรก็เหยียบจะชนอะไรก็ชนเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจไม่ได้รับการอบรมที่ดีไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราขาดเมตตาเพราะฉะนั้นใจของเราสงวรอย่างยิ่งที่จะได้รับการอบรมเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องถามใครนี่แหละหลักของพุทธศาสนาคือหลักพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ต้องถามใครเมื่อเราทําใจจิตใจให้สงบเนี่ยหลักพิสูจน์อยู่ตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ท่านเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยท่านไม่ได้เชื่อที่อื่นเชื่อที่ตัวของท่านเองเพราะท่านได้ปฏิบัติท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ กายกับใจนั้นเป็นอย่างไรให้พวกเรานั่งสมาธิถ้ารวมจิตรวมสงบรงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครแต่นี้นเมื่อจิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้จยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านให้พิจารณาอันนั้นคือสมถะจากนั้นให้เดินปัญญาคือแนวความคิดคิดว่ากายของเราใจของเราเดี๋ยวนี้ทําไมเราคิดว่าเราหลงอะไร เราอยู่กับร่างกายร่างกายเนี่ยจะเป็นของของเราเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมนึกใจใจก็จะตอว่าอถ้าหากว่าเป็นของเราเราจะบอกบอกวนะ่าอยากแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเราบอกได้ไหมนึกใจ เ, เมื่อเราจิตใจของเราสงบแล้วนะ่ะเราจะรู้ได้นะเพราะว่ากายกับใจเราแบ่งแยกกันแล้วนะเนี่ยมันคนละอันกันเขาก็ถามใจถามตัวเอง เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรหลงกายใช่ไหมเพราะว่ากายที่ว่ากายนี่เป็นของเราใช่ไหมแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่นะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องถึงจุดจบของมันพวกเราเคยเห็นไหมปู่ย่า ต, ตายายมงสาณายาจานมิตสหายของพวกเราลมหายตายจากไปมากต่อมากแล้วพวกเราจะเป็นใครจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเพราะนั้นพวกเราตัวของเรานะอย่าหลงนะ ใจนะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกนะสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นไม่ใช่ตัวตนของเรานะให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปนะใจนะถ้าใจของเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วเมื่อพิจารณาตามหลักเหตุผลใจของเราก็มีความสุขใจของเรารู้จักปล่อยรู้จักวาง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไปสุดโตกมันมีธรรมะมันมีเบรกในจิตในใจเพราะรู้จริงเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอีกสักวันหนึ่งร่างกายพวกเราก็จะต้องไปตามสภาพแต่เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีกต่างหากเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะไปที่ไหนเราออกจากนี่แล้วเราจะไปที่ไหนปุญกุศลเราเพียงพอหรือยัง บุญกุศลเราเปียมเต็มเปียเป่ย ม, ยมหรื อ, อยังที่เราจะไปสู่พรนโลกภายภาคหน้านะั้นเรามั่นใจไหมในการประพฤติปฏิบัติของเราเราเป็นพระอรหันต์หรื อ, อยังเราเป็นพระอนาคามีสกทาคามีพระโสดาบันหรื อ, อยังถ้าเราเป็นพระโสดาบันเนี่เป็นขั้นต้นแล้วนั่นแหละเมื่อเป็นพระโสดาบันและเป็นเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้ไม่ตกต่ํำแต่พวกเราถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็พร้อมที่จะ หลุดออกไปจากโคงจรนพร้อมที่จะไปตกตกต่ําได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องการภาวนาเนี่ยทารู้จักวิธีการไม่ยากและก็เป็นหลักที่สูจในหลักของพุทธศาสนาด้วยตายและเกิดด้วยตายแล้วสูตรนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ต้องถามใครเมื่อเรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบได้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการพูดและการแนะแนวในวันนี้ ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดให้ต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธิสักหน่อยแล้ค่อยเลิกลากันรารพอเอาให้ครบสูตรเวลานั่งภาวนาทำยังไงพวกเราจะได้รู้ฝึกหัดในการนั่งการนั่งที่แรกเป็นอย่างที่อาจรมาภาพได้พูดเมื่อนั่งคตมาทิลูกนั่งผับเปียบตามอัธยาศัยจากนั้นก็ปนมือขึ้นระหว่าง อ, อก ไหว้ครูสะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นก็เอามือลงก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทรหรือเราจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้แผ่เมตตาแต่จิตตั้งจิตให้แน่วแน่ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่คข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่เข้าไปเจ้าปรารถนานนด้วยเทินอันนี้ก็คือแผ่เมตตาทำจิตใจให้เยือกเย็นทำให้จิตใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครใครทั้งหมดเพราะทุกวิญญาณทุกตัวคนต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราถ้าเราไปผูกพยาบาทอาฆาตเขาก็เท่านั้น มันไม่เกิดประโยชน์ยิ่งทําจิตใจของเราของเราให้ต่ําลงไปอีกเพราะนั้นเราแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลเราจะไม่ผูกอาฆาตพยาบาทกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลต่างคนกัต่างใช้กรรมของใครของเราบาปบุญคุณโทษของใครของเราเพราะนั้นเราก็ใช้บุญกรรมของเราเหมือนกันเพราะนั้นแผ่เมตตาจบแล้วก่อนกํากหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโท จักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นอัตมาภาพก็จะได้บอกให้ถึงกำหนดแล้วก็จะได้ออกจากสมาธิจากนั้นจะได้แยกย้ายกันให้พวกเราทั้งทั้งรักษาสี่ด้วยทั้งไหวพระด้วยทั้งนั่งภาวนาด้วยวันนี้ให้ครบสูตร